เหตุชีวิตเป็นของน้อยถึงเรื่องชีวิตเป็นของ ชีวิตตังอุปโรชติคุณททีนมิโวดกังถึงคือวันคืนล่วงไป เพียงเมืองกับน้ําที่มี หมดโดยวันเวลาเปลืองไปโดยวันเวลานาทีวินาทีหมดไปหมดไปวันหมดนาทีนึงล่วงไปก็ แล้วท่านเชื่อมงหมดไปหมดไปเสื่อมสุน ยังตัวเราให้เป็นอยู่ที่ว่า ถูกแสงแดดย่อมผ่านฉะนั้นพนามันยังไกลไปเปรียบ เมื่อชีวิตหายไปหมดไปชีวิตหายไปหมดไปก็ยังเหลือแต่ถังอย่างงี้แหละคือตัวของเรายังเหลือแต่โครง ผู้ประมาทยอด ลường คิดถึงตัวของตนมันหมดไปหมดไป เราตั้งสติมั่นคงตั้งสติมั่นคงสติมั่นคง หากว่าเราสติตั้งมั่นมารักษาควบคุมจิตของ มันต้องเสื่อมสิ้นไปธรรมดาคนเกิดมาตั้ง 100 ปี 1,000 ทําอย่างนี้แล้วหมดเรื่องยังมีน้ําอะไรอาการสิ่งๆอันๆเนี่ย และตายจริงๆขึ้นหลังจากมันไม่ได้ต่อสู้กับอันตรายคือความ เทวดามันไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่เป็นเพื่อผลอบรมอะไรนั้นมันต้อง สติก็ต้องอ่อนลงไป วิชาของพระอุตตระอะไรก็เถอะอย่าง เราละเราถอนอยู่ทุกวันทุกวันนั้นน่ะอาณา ท่านเรียกว่าผู้มีสติตั้งมั่น สิ่งๆหมดเมาไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างติด มีสตินี่ทุกแห่งทุกคนน่ะทุกศาสนาทุกสถาบัน รักษาสติแล้วได้ชื่อว่าหลงแต่ตามสําหรับ สติหมายในสตินี่เครื่องระลึกได้อยู่ อนิจโฉชีวิตของเราผ่านนี่แหละทุกคนปีขึ้นไปเรียกว่าตั้งให้ไปหมด เนั้นอันที่มันเหลืออยู่ไม่มีใคร เป็นผู้ขยันหมั่นเพียรพยายามประกอบด้วยสติอยู่ตลอดเวลา อะไรจะมาผูกมัดไม่ได้ถ้ามียัตติติถึงว่ามันก็มีนั้นแหละเรียกว่าม่านไม่ไม่สามารถจะมองเห็น ลูกเสียงแก่นโน้ตโพธะพะดอกไม้ของมารเราไปชมดอกไม้ของมารนั่นน่ะเครื่องล่อของมารชวนอ่อยของมารเมื่อ ตัวนั้นน่ะไปถูกบ่วงมาเนี่ยหัวได้ยินเสียงมันก็ดักเข้าตรงนั้นแหละที่ชอบใจไม่ชอบใจอะไรต่างๆ พวกบ่วงเข้า อหาก็ผู้ต้องการพ้นจากทุกข์ปรารถนาอยากพ้นจากไม่ดําเนินตามนี้ก็ <ไ หม? S 1> จะไปไหนคนจะมีออกจากนี่มันมีทางไหนถ้า อาจจะเป็นคารวะก็เป็นตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นจงพากัน ได้รับความเยือกเย็นเป็นสุขเอา ให้พิจารณาวรณาสติว่าสิ่งใดที่มันตายกายของเรานี่มันมี มันเย็นได้ตายไปทุกซิ้นทุกส่วนตายไปให้ตายไป อุฏธนะเป็นเครื่องให้เกิดลมหายใจคุณพรนั่นถ้าไม่มีอบอุ่น ลมหายใจแล้วมันอยู่ไม่ได้อันตัวใจนั้นเดี๋ยวพลอมมันไม่ค่อยอยู่ในนั้นถ้าหมดลม เมื่อเรามีสติอยู่ดีๆที่จะรักษาตรงนั้นน่ะให้อยู่ตรงกลางนั้น กำลังจิตมีพลังเพียงพอมันจึงไม่ นั่นน่ะท่านต้องให้รักษาตรงนั้นน่ะพิจารณาความตายเบื้องต้นส่วนไหนมันตายมันจริงๆอาจารย์ในเมื่อ มันจะไม่ปรากฏเลยจะไม่ปรากฏเลยกายก็จะไม่ปรากฏจะปรากฏที่ๆนั่นน่ะไม่สร้างมันหายไป เป็นของโลกของว่างเป็นสิ่ง